ทีนี้ก็มาถึงความว่างที่ว่าถ้าเห็นแล้วจะพอใจในนิพพานเราต้องเข้าใจให้ดีๆว่าความว่างนี้เป็นอย่างไรความว่างในขั้นแรกก็คือว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเราเรียกว่าว่างถ้าความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรามีอยู่แล้วมันก็ไม่ใช่ความว่างมันเป็นจิตที่กาลังวุ่น อยู่ด้วยความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราว่าของเราเราต้องเอาคำสองคำขึ้นมาเป็นเครื่องช่วยการกำหนดจดจำว่าว่างกับวุ่นว่างคำหนึ่งวุ่นคำหนึ่งว่างก็คือว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราหรือของเราวุ่นก็คือมันวุ่นมันกลุ่มมันปั่นป่วนอยู่ด้วยความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรา ที่ว่าว่างจากความรู้สึกว่าตัวเราว่าของเรานั้นมันมีอาการอย่างไรบาลีที่เป็นพระพุทธภาษิตเปลี่ยงไว้ให้สี่ข้อคู่ที่หนึ่งนอาหารกวจชินิรู้สึกว่าไม่มีอะไรที่เป็นตัวเรานักสจิกินจันังกิสมินจิความกังวลต่อสิ่งใดหรือในอะไรอะไรก็ไม่มีว่าเป็นตัวเรานี้คู่หนึ่ง คู่ที่สองว่านามามะกับวาจินิไม่มีอะไรที่เป็นของเรากิสม in an ินจิกินจนนังนัตถิกังวลใดๆไม่มีว่าเป็นของเราพูดกันง่ายๆเป็นเททายคู่หนึ่งก็ว่าไม่รู้สึกว่ามีเราแล้วก็ไม่มีกังวลอะไรที่เป็นเราและอีกคู่หนึ่งก็ว่าไม่มีอะไรว่าเป็นเรา และไม่มีกังวลในอะไรว่าเป็นของเราเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นเราแต่บางทีก็มีเหลืออยู่เป็นกังวลว่าจะมีอะไรเป็นเราเรารู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแต่เราอดสงสัยไม่ได้ว่า ม, มันอาจมีอะไรที่ว่าเป็นของเรามันจะต้องมีความเห็นแจ้งเด็ดขาดเปลี่ยนกล่าวลงไปว่ามันไม่มีอะไรเป็นเรา และที่เราจะต้องคอยกังวลว่ามันอาจจะมีอะไรที่เป็นเรามันไม่มีอะไรเป็นของเราและไม่มีอะไรที่อาจจะเป็นของเราที่เราคอยสงสัยกังวลคอยคิดคอยนึกคอยท่าอยู่เมื่อใดจิตใจของใครเกลี้ยงไปจากสิ่งทั้งสีน่นี้เมื่อนั้นพระพุทธเจ้าท่านถือว่าเป็นความว่างในอาเนชชาสปายสูตรมาชิมานิกาย บัญญัติไว้อย่างนี้ในฐานะที่เป็นพุทธภาสิตอัตถกถาก็สรุปไว้ดือดอด้อตรงว่านาอัตนาไม่เห็นว่าเป็นตัวตนนาอัตตนิเยนะไม่เห็นว่าเป็นของตนนี้ก็พอแล้วก็เหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าต้องปราศจากความรู้สึกยิดมั่นถือมั่นว่าตัวตนว่าของตนนั่นเอง เมื่อไม่มีความรู้สึกอย่างนี้แล้วลองคิดดูเถอะว่ามันจะมีอะไรมันไม่มองเห็นอะไรที่ไหนที่น่าจะเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนหรือได้กำลังเป็นตัวตนหรือเป็นของของตนอยู่หรือว่าควรจะเป็นตัวตนหรือของของตนต่อไปข้างหน้ามันไม่มีทั้งนั้นอย่างนี้เรียกว่าไม่มีทั้งขนาดนั้นและไม่มีทั้งที่จะกังวลข้างหน้าและข้างหลังด้วย เป็นจิต ท, ที่เข้าถึงความว่างด้วยการมองเห็นสิ่งทั้งปวงชัดเจนตามลักษณะที่ถูกต้องของมันว่าไม่มีส่วนไหนที่มีความหมายของคำว่าตัว ต, วตนหรือของตนเลยเป็นธรรมะคือธรรมชาติล้วนๆเหมือนกับที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างยืดยาวนี่แหละคือจิต ท, ที่เป็นอันเดียวกันกับความว่างหรือว่าความว่างที่เป็นสิ่งเดียวกันกับจิต หรือที่เราจะพูดว่าจิตเข้าถึงความว่างหรือบางทีก็พูดถอยหลังมาอีกนิดว่าจิตได้รู้ถึงความว่างซึ่งทำให้คนบางคนเกิดความเข้าใจว่าจิตอย่างหนึ่งความว่างก็อย่างหนึ่งที่ใช้คำว่าเข้าไปรู้ตัวความว่างอย่างนี้ยังไม่ถูกต้องนักขอให้เข้าใจว่าถ้าจิตไม่เป็นอันเดียวกับความว่างแล้ว ไม่มีทางที่จะรู้เรื่องความว่างแล้วจิตมันก็เป็นความว่างอยู่เองแล้วตามธรรมชาติความโง่ต่างหากที่เข้าไปทำให้ไม่เห็นเป็นว่างพอความโง่ออกไปจิตกับความว่างก็เป็นอันเดียวกันเพราะฉะนั้นมันจึงรู้ตัวมันเองไม่ต้องไปรู้อะไรที่ไหนคือรู้ความว่างและเป็นอันรู้ว่า ไม่มีอะไรนอกจากความว่างจากตัวตนจากของตนนี่แหละความว่างอันนี้คือสิ่งสูงสุดเพียงสิ่งเดียวที่เป็นตัวพุทธวจนะที่ทรงสอนทรงมุ่งหมายจนถึงกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตถาคตะพาษิทธคือคำที่ตถาคตกล่าวนั้นมีแต่สุญญาตามีแต่เรื่องสุญญาตา บาลีสังยุตตนิกายมีอยู่อย่างนี้และในบาลีนั่นเองก็ว่าธรรมะที่ลึกที่สุดก็คือเรื่องสุญญาตานอกนั้นเรื่องตื่นธรรมะที่ลึกจนต้องมีพระตถาคตตรัสรู้ขึ้นมาในโลกแล้วกล่าวนั้นมีแต่สุญญาตาเรื่องนอกนั้นเรื่องตื่นไม่จำเป็นจะต้องมีตถาคตขึ้นมากล่าว ที่นี้ในอีกวักหนึ่งในสังยุตตนิกายนั้นว่าธรรมะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานแก่พวกคารวาดนั้นคือเรื่องสุญญตาที่มาเรื่องสุญญตานี้เป็นเรื่องที่อาตมาเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งหลายหนในที่อื่นว่ามีคารวาดขหาบดีพวกหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและทุนขอร้อง ที่จะได้รับธรรมะที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานแก่พวกคารวะที่ครองเรือนแออัดอยู่ได้บุตรภรรยาลูปไลกระเจะจันทร์ของหอมพระพุทธเจ้าได้ตรัสสูตรนี้คือสูตรเรื่องสุญญาตาเมื่อคาว่ามันยากไปก็ทรงลดลงมาเพียงเรื่องโสตาปฏิยังคะคือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบัน กล่าวคือให้เข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้จริงและก็มีศีลชนิดเป็นอริยกันตศีลคือเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าได้จริงแต่แล้วมันก็กลายเป็นว่าถูกพระพุทธเจ้าล่อเข้าบวงเข้ากับของพระองค์ได้สนิทพูดอย่างโวหารหยา บ, บของพวกเราก็คือว่าพระพุทธเจ้าท่านตมคนพวกนี้สนิทคือว่าเขาไม่เอาเรื่องสุญญาตา พระองค์ก็ยื่นเรื่องที่เหล็กสุญญตาไม่พ้นคือบ่วงที่จะคล้องเข้าไปสู่สุญตาให้คนเหล่านี้ไปให้เขาไปทำอย่างไรที่จะเข้าให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงและมีศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยะเจ้าได้มันก็มีแต่เรื่องนี้คือมองเห็นความไม่น่ายึดมั่นถือมั่นไปเรื่อยๆทีนี้เรามาคิดดูว่าพระพุทธเจ้า เป็นผู้ผิดหรือเปล่าในการที่พูดว่าเรื่องสุญญาตานี้เป็นเรื่องสำหรับคารวาสถ้าพระพุทธเจ้าถูกพวกเราสมัยนี้ก็เป็นคนบ้าบๆไปทั้งหมดคือผิดไปทั้งหมดเพราะไปเห็นว่าเรื่องสุญญาตานั้นไม่ใช่เรื่องสำหรับพวกเราคารวาสที่ครองเรือนเรื่องสุญญาตาเป็นเรื่องของผู้ที่จะไปนิพพานที่ไหนก็ไม่รู้ นีแลเรากำลังพูดกันอยู่อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้ากำลังพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเรื่องสุญญตา y a นี้คือเรื่องที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่คารวะโดยตรงแล้วใครจะเป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกถ้าพระพุทธเจ้าเป็นฝ่ายถูกเราก็ต้องยอมพิจารณาเรื่องสุญญตาว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานแก่ครวะอย่างไร ทางที่จะพิจารณาเรื่องนี้ก็จะต้องมองกันไปตั้งแต่ว่าใครมันทุกข์มากที่สุดร้อนมากที่สุดหรืออยู่ในใจกลางเตาหลอมยิ่งกว่าใครมันก็ไม่มีใครนอกจากพวกครวาสแล้วมาเป็นดังนี้แล้วใครเล่าที่จะต้องการเครื่องดับไฟหรือว่าสิ่งที่จะมากําจัดความทุกข์ด้วยประการทั้งปวงมันก็พวกครวาสนั่นแหละพวกที่อยู่กลางกองไฟ จึงต้องหาเครื่องดับไฟให้พบในท่ามกลางกองไฟมันดิ้นไปที่ไหนไม่ได้เพราะไม่มีอะไรนอกจากไฟไม่มีอะไรนอกจากธรรมชาติชนิดที่ไปยึดถือเข้าแล้วเป็นไฟทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะต้องหาจุดที่เย็นที่สุดที่กลางกองไฟนั่นเองมันก็คือความว่างจากตัวตนของตนคือสุญญตา คารวาตต้องหาให้พบสุญญตาต้องอยู่ในขอบวงของสุญญตาถ้าไม่อยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสุญญตาได้อย่างน้อยอย่างเลวที่สุดก็ควรจะอยู่ในขอบวงของสุญญตาคือรู้เรื่องความว่างตามสมควรที่ควรจะรู้นี่แหละจึงจะนับว่าเป็นประโยชน์สุขตลอดกาลนานของพวกคารวาต พวกนี้เข้าไปถามว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สุกเกื้อกูลสิ้นกาลนานแก่พวกข้าพระองค์พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าสุญญตาปฏิสังยุตตาโล ก, กุตระธรรมมาแปลว่าทำทั้งหลายที่อยู่เหนือวิสัยโลกที่เนืองเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตาโล ก, กุตระอยู่เหนือวิสัยโลกก็คือว่ามันอยู่เหนือไฟ เพราเราหมายความในที่นี้ว่าโลกนี้มันคือไฟฉะนั้นโลกุตระต้องอยู่เหนือไฟและที่ว่าเนื่องเฉพาะอยู่ด้วยสุญญตานั้นมันย่อมต้องถึงตัวความว่างความว่างจะความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวเราหรือว่าของเราดังนั้นสุญญตาปฏิสังยุตาโลกุตระธรรมานั้น จึงเป็นของขวัญสำหรับคารวาสโดยตรงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงมอบให้โดยตรงเป็นพระพุทธภาษิตที่ยืนยันอยู่อย่างนี้ขอให้ลองคิดดูใหม่ว่ามันจาเป็นเท่าไหร่ที่จะต้องสนใจและมีเพียงเรื่องเดียวจริงหรือไม่ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นกันเลยในบาลีสังยุตตานิกายนั้น ได้ตรัสยืนยันไวช้ชัดว่าสุญญตาคือนิพพานนิพพานคือสุญญตาในที่แห่งนั้นมันมีเรื่องที่จะต้องให้ตรัสอย่างนั้นซึ่งเป็นความจริงง่ายๆว่านิพพานคือสุญญตาสุญญตาคือนิพพานก็หมายถึงว่างจากกิเลสและ ว, ว่างจากความทุกข์ฉะนั้นนิพพานนั่นแหละคือเรื่องสำหรับคารวาส ถ้าคารวายังไม่รู้ความหมายของนิพพานยังไม่ได้อยู่ขอบวงของนิพพานก็แปลว่าอยู่กลางกองไฟมากกว่าคนพวกไหนหมดนิพพานก็ขยายความออกไปได้ชั ด, ชดว่าว่างจากความทุกข์รวมทั้งว่างจากกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ในขณะใดพวกเรามีจิตใจว่างจากตัวตนว่างจากของตนอยู่บ้างก็เป็นนิพพาน เช่นขณะที่นั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้เวลานี้อตาตมายืนยันได้ว่าทุกคนหรือแทบจะทุกคนนี้มีจิตว่างจากความรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนเพราะมันไม่มีอะไรมาก่อให้เกิดความรู้สึกอย่างนั้นมันมีแต่คำพูดที่อตาตมากำลังกล่าวไปในทางที่ให้เกลียดชังตัวตนหรือของตนและท่านทั้งหลายกำลังสนใจฟังเรื่องมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเกิดความรู้สึกว่าตัวตน แลลองคิดดูว่าใจมันว่างหรือไม่ว่างว่างจากตัวตนหรือของตนนั้นมันว่างหรือไม่ว่างถ้ามันว่างอยู่บ้างใช้คําว่าอยู่บ้างเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดหรือตลอดกาลนั่นก็เรียกได้ว่าท่านทั้งหลายกําลังอยู่ในขอบวงของนิพพานในขอบวงของธรรมะประเภทที่เรียกว่านิพพานแม้ว่าไม่เด็ดขาดและสมบูรณ์ ก็ยังเป็นนิพพานอยู่นั่นเอง